สำหรับด้านนี้พ่อก็ขอคุยต่อการมาคราวนี้นะลูกนะจงอย่าลืมความดีของพี่แดงและพี่โปพี่แดงก็คือพันโทสีพันมิชุพันหัวหน้าพันเอกทหารที่จันทึกโปก็คือพันพันเอกวิทย์สุรลำพย้ยาให้ความสะดวกเราเป็นอย่างดียิ่ง แในคนที่เป็นแนวหน้าในการเดินทางคราวนี้ที่มีความเนหน็ดเหนื่อยมากก็คือลุงเมย์และปู่เมย์ของลูกแล้วก็ชอเป็นนั้นว่าชอแก่เมย์ปู่หงาแล้วก็หลายคนที่ต่างคนต่างมาช่วยกันทําครัวแม่ครัวนี่ก็ทํากันจริงๆไม่เคยเอาเองินเอาทองอะไรกันเลยพ้าจ้างแรงงานไม่มีทิ้งบ้านทิ้งช่องกันมา แม่ครัวนะั่นลำบากมากนะลูกนะต้องตือนก่อนแล้วก็นอนที่หลังเขาก่อนนี้เขาจะเขาจะกินต้องทําแล้วพอเขากินเสร็จแม่ครัวยังทําต่อเก็บถ้วยล้างชามงานทุกอย่างอย่างนี้ลูกไปที่ไหนอย่าปล่อยให้แม่ครัวตามลาพังทําตาลําพังถ้าไปที่บ้านก็อย่าปล่อยให้บ้านก็ทําตาลําพังต้องจําสับโบ ร, ราณไม่ว่าเจ้าเจ้าจงยานิง่งโดนไดไปอยู่ที่ไหนนะ อยู่กับใครก็ตามจงอยา่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นถ้าว่าอย่างนั้นทำไมว่าแก่แล้วทําอะไรไม่ได้ก็เล่นกับเด็กดึงเด็กเข้ามาให้เพิ่มความสนใจอยู่ในเราพราแม่เจ้าของบ้านแค่ได้มีเวลาทํากิจการงานอย่างอื่นอันนี้มันก็ความดีปเป็นเสน่หและสเสน่ห์นี้ไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหน <c oughs> หันก็พูดสมัดดอนคนทา พ่อนึกรักน้ำใจเขาแล้วนึกนักรักน้ำใจกับลูกทุกคนเมื่อพ่ออธิบายให้เขาฟังว่าการเจริญมโนวิจิตรกรรมฐานนี้มีความสุขในชาตินี้และเราก็รจะเลื่อความสงสัยว่านรกมีจริงไหมตลอดสวรรค์มีจริงไหมพรห ม, มโลกมีจริงไหมนอกจากนั้นจะทามาหากินอะไรแล้วก็รู้ล่วงหน้าก่อน รู้สึกว่าเขาภูมิใจกันมากความจริงก็มีผลไปตามนั้นลกูกผลเป็นไปตามนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าพ่อบอกแล้วใช้ได้ทุกทางทั้งทางโลกและทางธรรมความจริงใช้ในทางโลกธรรมะกินชื่อวันโลกแต่อาการที่ทำเป็นทางธรรมอย่าเราไม่ก้มเพงสิ่งกันและกันเราเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราไม่แย่งความรักซึ่งกันและกันเราไม่โกหกโมเทกกันไม่ดื่มสุราเมรยัย อย่างนี้ก็เป็นทั้งทางโลกธรรทำโลกไม่ช้ำทำไม่เสียไมยความเราไม่ริดรอนให้ชาวโลกในระความเดือดร้อนและก็ทรงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยพอเขามีความเข้าใจพอเห็นใดเขาโลกเขาเก่งกันมากคนประมาณสี่ร้อยคนเศรที่พอทราบก็ทราบพอแจกเด่กกูโคตรนะ แล้วก็มีการเวียนเทียนนับประมาณสักสามสิบเหรียญได้ถ้าไม่เป็นไรมั่นเป็นเรื่องธรรมดาเราไปที่ไหนเพราะเราเคยเวียนเทียนมาก่อนเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์พระประธานบ้างแต่เราก็ถูกเวียนเทียนเอาเหรียญเอาของแจกไม่ได้แจกข้าวแจกปลาแจกผ้าผ่อนท้องสบายเราก็ถูกเวียนถินแล้วถูกกิจถูกกัน ความจริงทำห้เราเพิ่มบุญบารมีขึ้นอีกดีเหมือนกันแทนที่เราจะได้บุญกับขขาครั้งเดียวกลับมันได้เป็นสองครั้งสองคราวดีดีมากคนดังหมัดมีโอกาสเข้าร่วมฝึกพระกรรมฐานจริงๆประมาณหนึ่งรอยคนเศษนิดหน่อยไม่ถึงร้อยสิบคนล่ะเพราะว่าที่ไม่มีให้นอกนั้นต้องเป็นฝ่ายนั่งดูใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่ทวายให้สีเสร็จ เวลาให้ใช้เรงกรรมาฐานจ ร, จริงๆอยู่ในเกณฑเวลาสี่สิบห้านาทีพ่อเขาจับเวลาไว้ากายก็ร้อนจัดเด็กก็เล่นกันรถก็วิ่งอยู่ข้างทางแต่ผลปรากฏว่าจิตใจของท่านหลายแลาะนั่งเพ่อนเข้าไปได้ไปมุมต่างๆไปพบต่างๆได้ถึงเก้าสิบสองคนี้พ่อต้องขอขอบใจความดีของลูกเป็นลูกของพ่อทุกคน ไม่ทินกับภาษ า, ข า, าเขาบอกเฮ็ดนู ก, ก็ไม่รู้ว่าเฮ็ดอย่างไงยั้งก็ไม่รู้วายั้งว่าอย่างไ ง, ไาางไถามว่ามีชคดาไหมเขาบอกมีกระจมหัวแล้วก็ต้องฝึกกันเรื่องภาษาต่อไปเป็นอันมาถึงยังไงคนดีแล้วลากลูกทุ ก, กังกันไปได้เจ็กส้าดิบสองคนรู้สึกว่าพวกที่น่าปลื้ม อ, อกปลื้มใจไปตามๆกัน นี่นะศูนย์สงฆ์บุคคลผู้ยาญ่นในถิน่นตะกันดังของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเราแจกของของหมดมันก็สิ้นของสิ่งความสุขถ้าเราแจกน้ําใจให้คนระพฤติดีมีคนดีมีความสามเณรสิ่งอะไรกันแล้วนนทำให้เขาสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าควรจะทําอะไรมัน จ, จริงจะมีกินมีใช้อําเหตุไหนถ้าทำแบบนี้มันจะขาดทุนยามนี้เขาจะมีความสุข แจกอย่างนี้ที่ว่าแจกอายรัพย์แจกทรัพย์อันรเสริฐที่เขใช้ไม่หมดดีใจไม่ลูกดีใจนะทุกคนยกมือกันไปนแล้วยิ้มดีใจพ่อก็ดีใจกับเขาแล้วก็ดีใจที่ลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีพอพ่อสั่งลูกทุกคนมันได้รอทําทันทีรู้ใจพ่อ <c oughs> เพราะาพ่อไม่ชอบคนช้าอย่างหนึ่ง แในกระบอกกันดีสองพ่อไม่ชอบคนลังเลที่ลัดยังกลายช้าอันนี้พ่อไม่ชอบทําไมจึงไม่ชอบธรรมาถ้าคนอื่นเขาทําพ่อจะเกลียดไหมพ่อก็ไม่เกลียดแต่ว่าพ่อไม่ชอบชอบทุกอย่างให้มันเร็วไปหมดทําก็ทําเร็วได้กันได้เร็วนี่ก็ดีด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมะพวกเราไม่ใช่ธรรมะเครื่องเงินช้า รีตตุลตังสีอสีอ ต, ต้องเร็วๆรวไเห็นไหมยางพูดลู่ลู่ทำทุกอย่างเป็นที่ใจก่อนแล้วเป็นที่รับดาทั้งหลายเหล่านั้นเขาดีกันมากวันนั้นมันมีเมาวันนี้มีมาทะเลแปดรอ้อแปดกับหนึ่งร้อยแล้ววันร่ำอีกประมาณร้อยบาทแจกแล้วก็แจกไปแล้วเป็นกําลังเจหิญแล้วเขาต้องการเดท่านนนะที่แรกพูดว่าไปแล้วพิดว่าเออเราไปอีกโคจะมีอะไรบิคเขาจะตังแล้วไม่ให้เสียหา อันใครกันให้กันต่างกันห้าร้อยบาทจุดสองสัตว์ได้เงินแปดสิบเอาเขที่เป็นอดีตนี้พอได้เงินไปขอบที่วัดนั้นตามกัทด้วย่พวกเรากระซาเต็มโดยช่วยอะไรอีกที่ก็เป็นผูกน้ําใจที่เราดีทางคนเติมควาสุขพ่อละยังนั่งนานเนาะท่านเอือทุกอาเภอเลทุกปัตก็พระทุกวัดช่วยกันหาข้าวไว้เป็นกองทุนให้คนเยืมกิน แล้วต้องถืออานาจเด็กขัดบอกว่าถ้าหากว่าไม่ชําระหนี้จะไม่ให้กินเด็กถาดแต่การจริงชําระหนี้ก็ไม่ขอไม่ยากเขาได้มายืมไปห้าถังพ่บอกแล้วเขาได้มาห้าถังแล้วเขาใช้หนี้ไม่มีเขาก็มายืมไปเมื่อก่อนได้ถ้าเราจะให้เสฟรีอย่างเดียวก็รู้สึกว่าถ่ายคนที่กิจมากถ้าเขาตัวเขาไม่ไหวก็นีบแล้วก็มมมหนึ่งบอกว่าความแห้งแรง พอไปเล็กเกินหนึ่งเม็ดน้เห็นไม่โลกเห็นว่าโลกนี้มันหกเดี๋ยวเราไปที่นิกายหกการเรียนมัธยปสนาเหยื่อถือตำมาไปจังทุกขังตาใอย่เสร็จไปนั่งมองถึงแต่เราดูความเให้เห็นว่าที่ไปเรนนี่มันสุกจมุกใจเราแสรกันนี่ยมันสุกรมุกไอ้ันรกจำมันทุกทุกเรื่อมาทับผมมีสุกนั่งเราถที่พอ ครนี้พ่อแบกสี่พันแบกเจ็สิบเจิดคนนี่เป็นระยะการที่ใ็นเวลาน้อยคนิมาคนน้อยที่สุดเพราะเจริญรทธาเพราะเป็นสถานที่แล้วเพิ่มคนแบคนแบกไปคนอีกสี่ร้อยใจสีร้อยคนเสร็จเฮียรีแล้วแบกห้าร้อยคนหนักไม่ลุกร็อกที่การแบกอย่างนี้เรียกวเป็นตกแต่ว่าพ้อมีกังวลเสโลก พ่อถือว่าติยานเป็นของธรรมาถ้าเราคิดทุกข์มันก็ทุกข์มันต้องทุกข์เพราะเรทนแต่ความทุกข์อันนี้ไม่านใช่ใของพ่ออใจของพ่อก็คือสุขถ้าไอที่ไหนทำคนเองกับคนด้านนั้นพอสุขเต็มไทยสามารถทำคนเองกับด้านพ่อก็ไม่ทุกข์ถือว่าเป็นเรื่องธรรมะมองให้คนดูเขา เ, าาเปิดภาษาอีสานนี่จะแย่แรงการเดินทางก็มาตลอดทาง เราดูได้ว่าช่องเดินลงเขาคนเหมือนกันนะลูกนะบางคนบ้านใหญ่สวยบางคนบ้านรังคูอยู่กระต๊อบบ า, บางแต่งตัวสวยบางแต่งไม่สวยบางรายมีทรัพย์สิบนบางรายไม่มีัไม่มีเจตินก็ไม่ค่อยจะมีแตที่เป็นอย่างนี้ไรลูกหลัมันเพราะเรามีความดีเข้ากที่มีทรัพย์ทรัพย์น้อยก็เพราะใช้บา ร, รมีย่อดย่อนก่อนแล้วยิ่งใหญ่กว่านี้บริีใหญ่มากกำมามานี่มาทิ้นกำลังใจ ันให้บ่อยม่ให้น้อยๆอยมันก็มากข้อเื่อนี่เกิดปีชาติได้เข้ารวยแล้วเรามาลิ้นน้องชาวพิศษฐ์ให้ฉันเขาแรงแค่ไม่แน่นเ้ืนบ้านเขาใหตมีแต่ว่าคนที่มาเราจันมากปริมันคนมากกันกดซ้ำกดลึกก็ไม่ได้คนลึกตายหน้าปีก็มาหักหนก็ไม่พอปีลองศิลป์มันสุกทกนี่ต้อพักกลางเราจะนึกความจริงๆมันก็เหมือนทเรมามันทกัน ท่านดีก็แก่ท่านดีก็ป่อยท่านดีก็ไต่ฐานะเราทินทาว่าร้ามันจอยมีสภาพไหมเป็นอสสภาพการเกิดนี่มันเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นลูกเห็นเลยดีมากจะมันใลูกนะว่าขันห้าถ้ามันมีอยู่ถ้ามันเป็นทุกข์เราใช้มโนวิธีของเราท่องเที่ยวปฏิพัต่างๆ คือว่าไปสวรรค์เห็นวิมานใครก็สวยก็ไปถามว่าวิมานของเขาทําไมโตนะุศสวยกว่าวิมานของเราเขาบอกมาเราก็จําไว้แล้วทําตามเขาเห็นพรหมมีความสุขด้วยหน้าธรรมปีติก็าถามพรหม่าปฏิบัติแบบไหนถึงมิพานจัดไว้บรรดานความสุขคนที่ไปท่องเที่ยวได้นะอย่าพึงนึกนะว่าจะไปตายแลย้วจะไปสวรรค์นิพานไปพรหม ถ้ามีความระหมาดก็ดูตัวอย่างพระเทวทัตแต่แ ว, ว่าปริมาณของคนที่ได้วิชาสามัญภัญญาไปนรกมีน้อยหายากเต็มทีก็เห็นมีท่านตัว ด, ทดวีท่านเดียวคือท่านเทวทัตนอกนั้นเขาก็ไปนิพพานกันหมด <c oughs> ถ้าครนี้จะเป็นภัยแล้วก็องค์สมเด็จพระบรมสุขวัฒคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านก็ไม่ไม่สอนไว้ ลูกจะมาแน่นลูกนะเรายอมลำบากชาตินี้ชาติเดียวลำบากให้มันถึงที่สุดไม่ใช่ลำบากเก็บเราลำบากจ่ายเขาอดที่ไหนเราไปที่นั่นเขาทุกข์ที่ไหนเราไปที่นั่นไปช่วยบรรเทาเขาให้คลายความทุกข์เขาจะมีความสุขมากหรือมีความสุขน้อยเราไม่ต้องถือเป็นประมาณ ถือว่าเราช่วยเขาให้มีความสุขเนี่ยเป็นความสำคัญสุขทางกายเป็นสุขไม่นานลูกถ้าเราช่วยเขาสุขใจได้มันจะเป็นความสุขอย่างประเสริฐจะนั่งใครจะว่าพวกพิญญาสมาบัติ ด, ดีทรืไม่ดีพ่อไม่เดี๋ยวแหลพ่อไม่ฟังพ่อจะฟังอย่างเดียวคือเหตุผลต้องการอย่างเดียวว่าเวลานี้คนหิวอะไร หิวสุขว so so so ิป so ัสสโกหรือหิวตีวีโชหิวชลพิญโญหิวปฏิสมิธปัตโตเขาหิวขนมเราให้ขนมเขาชอบเขาหิวอาหารเราให้อาหารเขาหิวน้ำเราให้น้ำล้วเขาหิวบุหรีเราให้บุหรีเขาหิวสุราเราให้สุรามันถึงจะถูกใจคนและเราก็ต้องดูผลว่าสิ่งที่เราให้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันเป็นโทษหรือมันเป็นคน ถ้ามันเป็นโทษเราก็ไม่ให้ถ้ามันเป็นคนเราให้นี่คุยกันตอนนี้นะนี่แล้วก็มาจากวัดคนทาคโดนคนทาเวทีนะวัดโดนคนทาเป็นอนักษรที่เราไปสร้างพระโมเสดกันคนจิตรศักดิ์นี่ก็ดีมากรับราชการในกระทรวงมหาดไทยเป็นข้าราชการชั้นเอกพี่ทองก้นพระอย่าลืมนะคนจิตรศักดิ์ เราทำดีนะ้วมีคนดา่าแต่เนาดา่าเพราะเราทำความดีเราก็ควรจะยิ้มช่างเขาเถอะเราไม่โกงไม่กินเนีเป็นการสมควรแล้วช่วยราชการปีนี้ช่วยรายการได้ประมาณสองรอยห้าสิบล้านเศษใช่ไหมของที่เขาสั่งไปทำของที่มีอยู่แล้วเนี่ยคนสั่งทำไมไม่ลืมตาปากซะบ้างก็ไม่รู้ ของที่มีอยู่แล้วสั่งให้ไปรื้อของอย่างดีอยู่เต็มร้อยเปอร์เซ็นแไปรื้อแล้วก็ทำใหม่ไออาการอย่างนี้มาแบกการของคนง่อถมทึกคนทำลายชาติต้อเรียกว่าคนทาลายชาติเพราะทรัพย์สินของชาติต้องพิรุนไปเพราะคนระายำพวกนี้มันไม่มีความดีอะไรไม่รู้ว่าเขาจะจ้างกันไว้ทำไมคนเจ้าของเงินที่จ้างเขาไม่กลไม่รู้จักหน้าคนคือราษดร แต่คนที่เอาคนประเภทนี้เข้ามาเนี่ยทำไมช่วยมีความหวังตั้งใจคิดจะช่วยกันทำลายชาติไดงไงก็ไมสักจิตรศักดิ์ทำไบก็แล้วกันนะในเชื่อศักด์ศด์มันก็เกรียงศักดิ์กิตระศักดิ์มคล้ายๆกันอตัวก็ก็เล็กๆเหมือนกันก็ดีแล้วนะช่วยกันนะช่วยกันทุกมม่ทุกแง่ทุกมุมจะไปเอาแต่รัฐาบาลคนเดียวกลุ่มเดีย ว, ค น, ยวคนไม่กี่คนนะมันไม่ไหว ถ้าข้าราชการไปจาไม่ช่วยกันนําไปไม่รอดถึงว่าคนที่ไม่ใช่ข้าราการก็เหมือนกันต้องช่วยกันดูช่วยกันแล้วยังคิดว่าเขาเป็นข้าราการใหญ่กว่าเราเราจะต้องกลัวเขาเสมอไปไม่จําเป็นตามระเบียบวินัยเรากลัวแต่ได้เหตุผลจะโมโกรอยู่ไม่ได้ต้องคิดว่าถ้าเราไม่ได้รับประชการเราไม่อดตายเลย เราเอาความดีสู้กันไม่ช้าคนชั่วมันก็พังนี่เรามันนั่งมองดูศาลที่หลวรักเห็นไหมเห็นฝรั่งังเ็าเดินมาไหมฝรรังสี่ห้าคนเดินไปข้างหน้าเจ้าใกล้แล้วจะไปคุกกนะะพูดลงแรงลงเล่งคนหลังเดินมายกมือไหว้หน่อยเดียวโลกยิ้มกันเปนแถวว่าเขาไหว้หลวงพ่อเห็นไหม ดีใจไหมลูกนักรักเขาไหมว่าเขาเป็นคนดีทุกคนเห็นพร้อมกันนะว่าเขาเป็นคนดีแต่นี่เนี่ยการชนะใจกัน่มันเป็นอย่างนี้ความจริงฟังคนนี้ไม่ได้ให้อะไรเราเลยแค่ยกมือไหว้กม้มศทรษะนิดหนึ่งเขาผ่านไปยิ้มยิ้มเท่านี้เราก็ชื่นใจทุกคนนักลักว่าเขาเป็นคนดี นี่นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอจภยญญกรรมอปจภยญญกรรมกรรมคือทำเป็นเครื่องอ่อนน้อมวันโกปีวันท น, นงเมื่อไหวอยู่ในไหวตอบบูชาแลบเตบูชาบูชา ย, ยนละ ก, การบูชาตอบลูกจงจําไว้ให้ดีว่าคนที่ก็มีศักดิ์ศรีเหนือกว่าคนมียความเจริญสูงกว่าคือวัยวุฒโธเจริญนวิวต ชาติวุธโธเจริญในชาติแต่กุลแล้วก็อะไรเนะี่ยคุณวุธโธเจริญในคุณความดีคนดีก็มีความเจริญสูงกว่าเช่นผู้บังคับบัญชาท่านทอมตัวมาหาเรานั่นเป็นเป็นความดีของท่านนะลูกนะถ้าเราเอื้องเงยตัวขึ้นไปเสมอท่านยืดตัวไปเสมอกล้ท่านมันเป็นความเหลวของเราเมื่อท่านทอมมาล้วก็ทอมลงไปอีก อย่างพระมาสมเด็จพระเยโฮนีพ่อเข้าไปในพระยาฐานพบพระองค์ขาวไหลพระองค์ไม่ยอมนั่งสูงกว่าและก็ไม่ยอมนั่งเก้าอี้เข้าไปพู้พิงคราวนี้พ่อบอกว่าพ่อเข้าไม่ดีปรากฏว่าเจ้าหน้าที่จัดไว้ทั้งพระขาวและเก้าอี้สำหรับนั่งพ่อก็เลยนั่งพระขาวพระพระองค์นั่งต่ำกับพื้น แต่ก็รู้สึกว่าพระองค์ไม่มีอะไรทำตัวลงมาจนกระทั่งพวกกัน ง, ง่ายๆอย่างพ่อสาวสาวศรี บ, บ, บ้านคุยแบบกันเองกับเองแต่พ่อก็ต้องระวังอย่าลืมว่าท่านเป็นกษัตริย์แต่ท่านไม่ถือพระองค์เมื่อท่านไม่ถือพระองค์เพียงใดก็แสดงความดีของท่านมีมากกว่าเพียงนั้นเราก็ต้องระวังยอมรับนับถือในความดีของท่าน ท่นไม่มีอะไรแน่บาอทีได้พบพอดตอไปที่ตําหนักน้อยนอนท์ถ้ากําลังพกไปกับพื้นยาอาจจะมีเสือเก่าๆสัพืืนท่านี้ในพระองค์แสดงบ่อยในเวลาไปไหนก็ไม่เคยสแสดงลีลาท่าทางโอ้ oh, oh, ฉันเป็นเจ้าใหญ่ในโตไม่เหมือนใครก็ได้การก้างก่างบางคนพ่อเคยเห็นไหมจะาเจียนตายแม้ทําท่าด้โกรนนี่จำไว้ในลูกนะ ว่าปัญจานักกรรมทําขึ้นมาเครื่องอ่อนน้อมทําให้จิตใจเราสบายดูตัวอย่างฝรั่งคนเมื่อกี้เนี่ยที่เขาเดินผ่านไปอยกมือไหว้เขายิ้มนิดหนึ่งกม้มศีรษะหน่อยหนึ่งลูกทุกคนก็ดีใจชอบใจเขาพ่อก็ดีใจแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันเลยเราก็ดีใจว่าเขาดีถ้าเขาทาอย่างนั้นเราว่าเขาดีถ้าเราทําเอาละ ถ้าเราทำบ้างคนอื่นจะว่าเราชั่วมีมันก็มีคนเลวเลวคนอากตันโูไม่รู้คนคน้ะมีอยู่แต่ช่างเาเถอะมีไม่กี่คนหลอกโล ก, โลกในโลกนี้ในโลกนี้มีคนดีมากมากกว่าคนชั่วตามโบราณท่านกล่าวเป็นคำบังเพลไว้ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็ามากคนชั่วหายยากคนดีถมไป เังนั้นคนทุกคนเราต้องมองในแง่ของความดีไว้ก่อนลูกมองเมื่อกี้ตอนต้นโน้นพ่อพูดถึงเรื่องสารค้างไว้นะสารนี้ที่พ่อมากับนาวาการเอกธรโลจนวิพาธหลายปีแล้วที่เธอเป็นผู้คับกองฝึกโรงเรียนการบินสมัยที่ตั้งอยู่ที่นครนายสีมาพอเดินไปเดินมาเล่นเล่นกับพ่อคนเดียว เธอปรากฏว่ขาขณะที่เดินไปเดินมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามมาเธอเป็นผู้หญิงสาวส ว, สวยสวดทรงดีมากเนละเอียดผิวขาวแต่งตัวชุดสีเขียวสีเขียวสีน้ําเงินน้ำเงินไม่พอไม่รู้ก็เรียกแต่กูนสีเขียวแล้วกันสีเขียวค่อนข้างเข้มเข้มนิดนิดแต่ว่าสีสวยสวยเป็นสบายบางๆางสวยเดินตามมา พ่อก็แปลกใจว่าเอ๊ะพวกเรามาไม่กี่คนแล้วก็ผู้หญิงรูปร่างแบบนี้พวกเราก็ไม่มีมาถ้ามีรถก็ตามไปสองคันก็ลงก็ไม่มีผู้หญิงแบบนี้มองดูไปกลุ่มของพวกเราที่นั่งอยู่เห็นยังครบกันทุกคนแต่ทุกคนคือพวกเราไปก็ใส่เสื้อแต่ผู้หญิงก็นี้ห่มสมบาย ตัวข้างในคล้ายๆจะมีเสื้อชั้นในอยู่รักเหมือนลครน่ะนะแล้วก็มีผ้าสบัยขนาดใหญ่คลุมอยู่ผ้ากับเสื้อสีเดียวกันเธอเป็นสาวดูหน้าแล้วสาววัยรุ่นๆเจ้าว่าส7บเจ็ดสิบแปดสำหรับเด็กเวลานี้ก็น่าแก่กว่าหน้าเธออ่อนคล้ายสิบสองิบสามแต่ถ้าติดสองิบสามออกได้ก็น่าแก่กว่าเธอ เธอจิ้มละไม่เข้ามาใกล้ ย, ยกมือกันไหวขณะที่ยกมือกันั่งลงเธอนั่งพับเพียบไปกับพื้นพ่อก็แปลกใจหันมาแต่เห็นว่ามันเป็นที่โล่งแจ้งไม่ใช่เป็นที่รับก็ไม่แปลกเจ้ปรับอวบอิ่มก็ปรับไม่ได้เพราะไม่ตั้งใจควงกันมาหี่ก็เดินตามไม่ทราบกันมาจากไหนแล้วก็ผ้าที่ผ้านุ่งก็นุ่งยาวไปใกล้ตาตุ่ม กีบหน้านางเข้มขัดเส้นโตไปเข้มขัดทองแต่ว่าแพรว่าได้ยิบยัรได้ยิบยับริเพทคอเป็นเส้นวานเน่ที่เพิ่มประดับเป็นเส้นวานแล้วก็ทับสวงนิ้วแพรวแพราวาบริเพ็สวยสดสวยา ง, งามมากด้นานทิศมีไอ้สายสายคล้ายเพชรคาดผมไหมแปลก เธอมองหน้าเธอก็ยิ้มพ่อก็ยิ้มเธอยิ้มท่าไหนพ่อไม่รู้แต่พ่อยิ้มสงสัยว่ายายนี่แกลูกเต้าเหล่าใครเนาะแอบมารู้จากเราซึ่งเป็นนกตาแก่ๆเวลานั้นพ่อไม่ค่อยสบายพ่อป่วยมาพักที่โรงเรียนการบินนาวาเอากทอกรกัญญานามาเก็บนี้แขกไม่ใช่อะไรครับ แค่พู้มาหาแกตั้งหน้าต่างๆเอาแต่า ง, งานของแกพ่อจะป่วยจะยากแคไม่รู้แค่ใช้ดาเนื่อเธอสงสัยก็จึงได้นํามาเอาพ่อมาพักก็มามาเที่ยวทินนี่แล้วพ่อนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะนี่พวกเรามันมีอยู่จํากัดรูปร่างลักษณะแบบนี้การแต่งตัวแบบนี้สมัยนั่นเขาใช้ผ้าแบบไหนไม่ลูกไอ้ผ้าชิ้นเล็กๆอ่ะผู้หญิงอ่ะ ยาวเสือขึ้กว่ามางพอก้มก็เห็นก้นเลยแต่ว่ายายคนนี้แกรวยผ้ามากนุ่งไปถึงใกล้าตาตุ่มมองดูลงเท้าก็สวยเทมองคล้ายๆจะลอเมื่อพ่อสงสยัยเทก็ถามว่าเทก็ถามพูดมาคำว่าจำโบครีดได้ไหมเจ้าค่ะถามว่าโบครีไหน แค่ว่าบวกคลี่ในสมัยคุณช่างคุณแผงไงในเจาา้าพ่อพอบวกคลี่ตอนนั้นพ่อคนลุกเลยลุกตัวไหนไหมไม่ใช่คนลุกไปรักกันหรอกนับเอ้ยอยายบวกคลี่เนี่ยจะเป็นผีเป็นนานแล้วนี่ดีไมด่ดีจะมาล่วงตับเปกินมันก็แย่ดีที่ตรงนี้มันก็ไกลกับคนหมู่คนอื่นจะวิ่งมาช่วยช่วยจะมาแย่งผีกินเน่ยเห็นท่าจะไม่ไหว เธอคงจะรู้กำลังใจเธอบอกว่าแค่แล้วก็ยิ้มเธอยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัเลยเจ้าค่ะวัวครีบไม่ได้เคยเป็นศัตรูกับพระคุณเจ้าที่มานี่ก็มาเพาื่อนมรสการเห็นว่าพระคุณเจ้าสงสัยก็เลยมาแต่พ่อก็เลยต้องขอให้ลูกสงสัยไปก่อนทีนะเพราะเทพหน้านี้มาหมดแล้วเดี๋ยวฟังหน้าหลังต่อไป